เพราะทิฏฐิย่อมบอกนรชนนั้นว่าเป็นผู้พูดอย่างนั้นนะนะไอ้ตัวทิฏฐินั่นแหละมันทําให้พูดอย่างนั้นทําให้เขาคิดอย่างนั้นทิฏฐินั่นแหละย่อมบอกบุคคล น, นั้นว่าบุคคล น, นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นบริสุทธิ์คือถ้าเพราะเขาตัวทิฏฐิอันนั้นแหละทําให้ผู้มีปัญญาเนี่ยรู้เลยว่าไอ้เจ้านี้มันมิจฉาทิฏฐินี่ท่านจึงบอกว่า คำว่าเป็นผู้พูดอย่างนั้นคือเป็นผู้พูดบอกกล่าวแสดงแถลงอยู่อย่างนั้นคือเป็นผู้พูดบอกกล่าวแสดงแถลงว่าโลกเนี bitch, v v v v v v v ่ยที e ่ยงอย่างสิ่งนี้แหละจริงอย่างอื่นเนี่ยเป็นโมฆะโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสริระกก็อันนั้นชีพอันอื่นสิริรักกับอย่างอื่นสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วก็เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วก็ไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีีกกกก็หหาาไไไมมม่ดด้้เปนอ เนีてて่ยนะพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะยึดถือแต่ว่าโดยสรุปไอ้รัฐที่ทั้งหมดก็คือทั้งสัสตตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิมันยืนยันในอุเฉะบางพวกยืนยันในอุเฉะเช่นตายแล้วศูนย์บางพวกก็ยืนยัน ว, ว, ว่าตายแล้วเที่ยงอย่างเนี่ยก็อยู่อย่างนี้แหละนะถือว่ารัฐที่เป็นสัสตตทิฏฐิก็อุเฉททิฏฐินะเนื่องจากยึดถือคาถานี้สรุปว่าหากว่าความหมดจดย่อมมีแก่นรชนด้วยความเห็นหรือว่า นรชนย่อมละทุกได้ด้วยยานคือจากขวิญญาณไซนรชนนั้นผู้ยังมีอุปธิคือกิเลสก็ย่อมหมดจดด้วยมรรคอื่นจากโพธิปัจขยธรรมเพราะทิทย่อมบอกนอรชนนั้นว่าเป็นผู้พูดอย่างนั้นเนี่ยนะเนี่ยนะไอความเห็นเนี่ยมันร้ายมากนะมันทำให้บอกเออไปดูเนี่ยจะบรรลุว่างั้นไปฟังนี่แหละจะบรรลุนะนไปดมเนี่ยบรรลุละกินเนี่ยจะทำให้บรรลุละเนี่ยนะ กรับกระทบทางกายไปยืนไปเดินไปนั่งแบบนั้นอาบน้ําแบบนี้เป็นต้นเนี่ยจะทําให้บรรลุนะเขาเข้าใจแบบนี้นะหรือไปท่องคําใดคําหนึ่งแล้วจะทําให้บรรลุไงนะมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วคาถาที่สมพระองค์ตรัสต่อไปว่าพราหมณ์ไม่กล่าวความหมดจดในอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ได้ยินศีลและวัดหรืออารมณ์ที่ทราบโดยมักอื่นพราหมณ์ในที่นี้คือพระอรหันเนี่ยนะพระอรหัน์ท่านบอกว่าไม่ใช่หรอก มันบรรลุด้วยการเห็นไม่ได้หรอกบรรลุด้วยการยินได้ยินไม่ได้หรอกบรรลุด้วยแค่ศีลก็ไม่ได้บรรลุด้วยแค่วัดก็ไม่ได้บรรลุศักแต่ว่าเนี่ยไปดมเนี่ยนะไปดมไปจับไปรับไปกินเนี่ยบรรลุไม่ได้เพราะว่ามันอื่นจากโพธิปักขะธรรมมันอื่นจากมรรคมีองคแบบ์แปดทำให้บรรลุไม่ได้พรามนั้นผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาปคือพระธรรมเนี่ยไม่ติดบุญติดบาปละเสียซึ่งอัตตา เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทําเพิ่มเติมอยู่ในโลกเนี่ยนะสำหรับพระอรหันต์เนี่ยท่านละบุญลอยบาปหมดแล้วเนี่ยนะละบาปลอยบุญได้เบ็ดเสร็จหมดไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการทํากรรมอะไรสักอย่างอันพระอรหันต์เนี่ยท่านท่านบอกเลยนะท่านปฏิเสธว่าแค่เห็นเนี่ยทำให้บรรลุไม่ได้ได้ยินก็บรรลุไม่ได้หรือสักแต่ว่ารักษาศีลประพฤติวัดเนี่ยนะข้อปฏิบัติวัดอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุไม่ได้หรือแค่ฟังเนี่ยนะแค่ แค่รู้กลิ่นรู้รสรับกระทบโพตาภะทางกายเนี่ยบรรลุไม่ได้หรอกเนี่ยนะซึ่งภาษาริบตทอธิบายว่าคำว่าพรามมีความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพรามเพราะลอยเสียซึ่งทำเจ็ดประการคือเป็นผู้ลอยสากายะทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพัตตปรามา ร, ราคาโทสะโมหะและมานะ บุคคลผู้เป็นพรามณ์นั้นลอยเสียแล้วซึ่งอกุศลธรรมอลาห ม, มกทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งความเศร้ามองให้เกิดในภพใหม่มีความกะวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นปัจจัยแห่งชาติและมรณะต่อไปเนี่ยนะอันท่าอรหันเนี่ยเป็นผู้ลอยบาปลอยอกุศ ล, ลอยกิเลสลอยตันหาลอยทุจริตได้หมดแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเมื่อท่านลอยบาปก็เท่ากับลอยก า, การเกิดในภพใหม่ได้หมดเกลี้ยง สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อรสพพยะบุคคลใดลอยบาปทั้งปวงเสียแล้วปราศจากมนทินเครื่องเศร้าหมองมีจิตตั้งมั่นด้วยดีมีตนตั้งอยู่แล้วบุคคลนั้นเรียกว่าผู้สำเร็จกิจเพราะล่วงสงสารได้แล้วเนี่ยนะคือล่วงขันยตนาท่าได้หมดแล้วอันตัญหาทิฐิไม่อาศัยเป็นผู้คงที่ทั้งในอารมณ์ที่น่าปรารถนาะและไม่น่าปรารถนาะเรียกว่าเป็นพราม เพราะฉะนั้นพรามเนี่ยท่านไม่กล่าวความหมดจดโดยมักอื่นนีนะพาลหันะาหาเนี่ยท่านจะไม่บอกว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเกิดได้นอกจากโพธิปัจขียธรรมนีนะนะโพธิปัจขียธรรมเท่านั้นแหละที่จะทําให้บริสุทธิ์นะโพธิปัจขียธรรมก็คือสติปทานสีสัมมาปทานสอิทิบาทสีอิน 5, รียห้าพละห้าโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดถ้าไม่เป็นไปตามนี้บรรลุไม่ได้นีนะนะ เพนั้พรมณ์ไม่กล่าวไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่แถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบโดยมรรคอื่นคือโดยมรรคอันไม่หมดจดปฏิปทาผิดทางอันไม่นําออกนอกจากสติปัญญาสัมมาปัญญาอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมรรคมีองค์8ปดทำให้เป็นไปตามนี้ไม่บรรลุรอกนะจะไปทําอะไรก็ช่างเถอะไม่บรรลุรอกถ้าไม่เป็นไปตามโพธิปัจจียธรรมนันะ เพราะว่าไอตัวโพธิปัจขยธรรมเนี่ยทำให้แทงตลอดอริยสัจถ้าไม่อบรมโพธิปัจขยธรรมจนเห็นอริยสัจยังไงก็ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะพระธรรมนั่นถือว่าอย่างนั้นนะผู้ลอยบาปผู้ละบุญลอยบาปหมดท่านว่าอย่างนี้แหละไม่ได้ด้วยข้อปฏิบัติอันอื่นหรอกเนี่ยนะคำว่าในอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ได้ยินศีลและวัดหรืออารมณ์ที่ทราบความว่าพราหมณ์ทั้งปวงพวกพรามภายนอกเนี่ยนะบางพวกเนี่ยเขาถือ ราธนาความหมดจดด้วยการเห็นรูปคือถ้าเห็นรูปนะจะทำให้บริสุทธิ์ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเชื่อถือการเห็นรูปบางอย่างว่าเป็นมงคลย่อมเชื่อถือการเห็นรูปบางอย่างว่าไม่เป็นมงคลไอสิ่งที่เห็นเนี่ยแบ่งออกเป็นสองเเห็นบางอย่างแล้วจะทำให้เป็นมงคลคือเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์แต่บางอย่างนี่ไม่ได้เป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์นะก็มาดูว่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยย่อมเชื่อการเห็นรูปเหล่าไหนาว่าเป็นมงคลเขาเชื่อว่าอะไรล่ะที่เห็นแล้วจะทําให้เขาพ้นทุกได้คุณวัญชูเอามั่งไหมจะไปดูแบบนั้นบั่งไหตื่นเช้ามาเอาเลยก็คือไปดูสันหน่อยนะจะทําให้บริสุทธิ์นั่นน ะ, ะนนนะสมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าย่อมเห็นรูปทั้งหลายที่ถึงเหตุเป็นมงคลอย่างยิ่ง น, น, นะต้องไปดู ok and นกแอ่นลมนอะนะนนจะทําให้บริสุทธิ์นนะ หรือว่าไปดูมัดผลมัตูมอ่อนที่เกิดโดยอบุตรกเสกไปดูหญิงมีคัน น, นะไปดูคนท้องอะ่ะไปดูคนที่ให้เด็กหญิงขี่คอเดินไปนะหรือว่าไปเห็นหม้อน้ําเต็มหรือว่าไปเห็นปลาตะเพียนไปเห็นม้าอาชาในเห็นรถที่เทียมด้วยมาอาชาในเห็นโคผู้เห็นแม่โคด่างอะ่ะเดี๋ยถ้าเห็นอย่างนี้เราจะเป็นมงคลแม่เห็นแค่นี้มันจะทำให้บรรลุได้ใช่ไหม รับที่ของเขาอ่ะนะคิดดูนะถือว่าการเห็นโคมันจะทําให้บรรลุได้อะเขาถือกันขนาดนั้นอะ่ะเขาเขานับถือเขาบูชาหรือเห็นม้าเนี่ยเห็นรถก็ได้เห็นรถเนี่ยเห็นรถเบนแล้วจะทำให้บรรลุเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วใช่สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเชื่อถือการเห็นรูปเหล่านัยว่าไม่เป็นมงคลอะนะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลนะีอย่าไปดูอไอ้สิ่งแบบนั้นอะ่ะคืออะไรคือสมณพราหมณ์เหล่านั้นเห็นกองฟางเนี่ยนะ เห็นหม้อเปรียงเห็นหม้อเปล่าเห็นนักฟ้อนเนี่ยเห็นสมณะแก้ผ้าเห็นลาเห็นยานที่เทียมด้วยลาเห็นยานที่เทียมด้วยพาหะตัวเดียวเห็นคนตาบอดเห็นคนง่อยเห็นคนกระจอกเห็นคนเปรี้ยเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอย่างเงี้ยเชื่อว่าเห็นแล้วไม่เป็นมงคลเพราะสมณะพรามเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ปรารถนาความหมดจดด้วยการเห็นรูป ย่อมเชื่อถือความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษพ้นรอบด้วยการเห็นรูปเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ถือการเห็นรูปเป็นหลักนะมันเห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนามันทําลายเลยอย่างในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งอะพวกนางคนหนึ่งชื่อว่านางทิฏฐมังคือกาเนี่ยมันะถือเอาการเห็นเป็นหลักเนี่ยนะนะเขาไปวันปกติเขาจะเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลเนะี่ยวันหนึ่งไปเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเกิดเป็นจันทานเนะี่ยโอ้ย เอาต้องเอาน้ําเนี่ยมาล้างตาเลยถือว่าโหอัปปรีจังไรามากะนะที่ได้ไปเห็นจันทานเนี่ยะพระโพธิสัตว์ถูกซ้อมเกือบตายเนี่พนะอาลัทธิที่นั้นก็ถือว่าบริสุทธิ์ด้วยการเห็นนะล้างตาใช่ล้างขี้ตาสิไอ้ล้างตาหรอกนะน้ํามาพ้าวอ่อนก็ล้างขี้ตาออกอ่ะ อมีสมณพราหมณ์บางพวกปรารถนาความหมดจดด้วยการได้ยินเสียงเขาถือว่าฟังเนี่ยจะทำให้บรรลุได้นะได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงนงังๆๆเนี่ยจะทําให้บรรลุได้เสียงอะไรดีเคาะอะไรดีก็ต้องต้องเต็งอะไรไปเรื่อยนะจะฟังแล้วจะทําให้บรรลุใช่ไหมยัยงที่สองเคยไปปฏิบัติแบบนั้นมาเรื่อยนะไปฟังเสียงแล้วจะบรรลุให้ได้แล้วนะนั่งเคาะกะลาเคาะกะละมังเคาะถ้วยโถโอชาอะไรก็ว่าไปเนะนั <c oughs> ่งเคาะอย่างนั้นเลยจะบรรลุไม่เกินไปนะ บรรดาสัมณพราหมณ์เหล่านี้ย่อมเชื่อถือการได้ยินเสียงบางอย่างว่าเป็นมงคลย่อมเชื่อถือการได้ยินเสียงบางอย่างว่าไม่เป็นมงคลถามว่าเสียงไหนอ่ะที่เขาถือว่าเป็นมงคลก็คือสมณพราหมณ์เหล่านั้นอ่ะลุกขึ้นแต่เช้าได้ยินเสียงทั้งหลายที่เป็นเหตุ <S <S แห่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งก็ถือว่าคําว่าเจริญตื่นเช้ามาบอกจงเจริญเนี่ย네นสมัยนี้ของเราก็มีใช่ไหมให้เจ้าภาพจงเจริญเนี่ยนะเมาแอแล้วก็เจริญอยู่แล้วเจ้าภาพอ่ะ หรือว่าเสียงว่าเจริญอยู่เต็มแล้วเสียงว่าขาดเสียงว่าไม่เศร้าโศกมีใจดีเลิกดีมงคลดีเป็นสิริจเจริญด้วยสิริะนะพวกเสียงเราเนี่ยเขาถือว่าได้ยินแล้วเป็นมงคลเนี่ยนะจะทําให้บริสุทธิ์เนี่ยนะ หรือสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเชื่อถือการได้ยินเสียงเหล่าไหนาว่าไม่เป็นมงคลสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมได้ยินเสียงว่าคนตาบอดคนหง่อยคนกระจอกคนเปียกคนแก่คนเจ็ บ, ค น, จบคนตายคนถูกตัดคนถูกทำลายเสียงไฟไหม้เสียงของหายของไม่มีอ่ะเสียงอย่างนี้เขาไม่ถือถือว่าไม่เป็นมงคลนั่นะมาลุกไม่ได้ฟังเสียงแบบนี้นะจะต้องไปฟังเสียงว่าเจริญเจริญดีไม่โศกนี้ใจเร่มตีมงคลดีอ่ะฟังประเภทนั้นแหละจะทําให้เขาเป็นมงคลเหมงอนกัน สมณพราหมณ์เหล่านี้เป็นผู้ปรารถนาความหมดจดด้วยการได้ยินเสียงย่อมเชื่อถือความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยการยินเสียงเนี่ยนะฟังแต่ว่าเสียงเหล่านั้นนะถ้าเป็นสมัยนี้เอามาทําการค้าหมดใช่ไหมแต่ถ้าฟังเสียงนี้มันต้องราคาค่าเสียงนี่ต้องเท่านี้นะแกเอาเสียงนี้ไปฟังแล้วแกจะบรรลุเนี่ยนะว่าเป็นนั่นเนี่ยนะแสดงว่าสแสวงหาทางลัดน้าดูเลยนะ หาทางลัดเนี่ยใช้โสตวิญญาณจะบรรลุได้แล้วนะใช้จักรคูวิญญาณก็บรุลุใช้โสตวิญญาณก็บรุลุแม่คนเนี่ยมันคนก็เชื่อด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะเสียเงินเสียทองเสียเท่าไหร่ก็เสียนะมันก็ยอมให้ถูกหลอกอยู่แล้วล่ะหรือบางพวกก็ถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลเนี่ยนะมีสมณพราหมณ์บางพวกปรารถนาความหมดจดด้วยศีลสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเชื่อถือความหมดจด ความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยเหตุสักว่าศีลเหตุสักว่าสำรวมเหตุสักว่าระวังเหตสักว่าความไม่ละเมิดเนี่ยนะสำนวนว่าไม่ต้องถ้าไม่ทำชั่วอะไรมันบริสุทธิ์เลยเอาเขาถือว่าอย่างปริพาชกที่เป็นลูกของนางปริพาชิกาชื่อว่าสมณะมุนดิกาเนี่ยนะ เขามีลทัทธิอย่างนี้ว่าดูก่อนช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุรุษบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้ว่าเป็นผู้ถึงพร้อมอผู้มีกุศลถึงพร้อมมีกุศลเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ถึงพระอรหันต์อันอุดมที่ควรถึงเป็นสมณนะเป็นผู้อันใครๆต่อสู้ไม่ได้ธรรมะสี่ประการเป็นฉนะัยดูก่อนช่างไม้บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทาบาปด้วยกายย่อมไม่กล่าววาจาอันลามก ไม่ดําริถึงเหตุที่ดําริอันลามกย่อมไม่อาศัยชีพอันลามกเป็นอยู่เขาถือว่าเนี่ยดูก่อนช่างหม้เราย่อมบัญญัติบุรุษผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี่แหละว่าเป็นผู้มีกุศลอันถึงพร้อมแล้วมีกุศลอันเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ถึงพระรหัสอันอุดมที่ควรถึงเป็นสมณะเป็นผู้อันใครๆต่อสู้ไม่ได้ สมณพราหมณ์บางพวกย่อมปราถนาความหมดจดด้วยศีลเขาถือว่าศีลเนี่ยทําให้บรรลุได้ท่านก็บอกว่าเช่นด้วยบริสุทธิด์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยแค่ว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วก็อย่าไปทําอาชีพอัลามกเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็แก้หวั ง, งนนะเด็กทารกคลอดใหม่ๆมันก็ไม่เด็กไปอย่างนี้อยู่แล้วนะงั้นใครจะไปชนะเด็กทารกหรืว่างั้นเป็นอย่างนั้นไมหมล่ะใครเด็กไม่ได้ไปทําชั่วทําเลวอะไรมันก็ได้ดีหมดอ่ะนะ ไม่ได้เป็นอย่า ง, งานั้นหรอกอันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นและจะทําให้บริสุทธิ์ได้ที่ไหนเหมือนกนแต่ว่าสามนาพรามเหล่านั้นย่อมเชื่อถือความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศ ษ, od, วเศษค od, วามพ้นรอบด้วยเหตุสักว่าศีนด้วยเหตุสักว่าสํารวมด้วยเหตุศักว่าระวังด้วยเหตุศักว่าไม่ละเมิดศีลอย่างนี้เห็นไหมงั้นเด็กเนี่ยมันบรรลุที่สุดเด็กสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดใช่ไหมแต่ถืออย่างนั้นนะจริงจริงไม่ใช่ มีสมณพราหมณ์บางพวกปราถนาความหมดจดด้วยวัดด้วยข้อประพฤติของเขาอ่ะนะว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นอ่ะเป็นผู้ประพฤติหัดถีวัดทําตัวเรียนแบบช้างเนี่ยหมดเลยเนี่ยนะพวกอัศวะทําตัวเรียนแบบม้าโควัดก็คือทําตัวแบบโคกุกุรวัดแบบสุนัขกากระวัดแบบกาแบบวาสุเทพเทววัดเนี่ยนะพลวะเทววัดปุณกกะพัทธวัรมณีพัทธวัรอคีวัดอคีก็คือไฟนะ วัดในการบูชาไฟนาควัดนาค่ะ น, นะสป น, นวัดก็คือครุดยับอสูนคันทพวัดมหาราชจันสุริยะอินทวัดพรหมวัดเทวทวัดทิศวัดคือบูชาทิดไหว้ทิดนะ่ะพวกนี้จะถือความบริสุทธิ์หมดจดด้วยด้วยการประพฤติวัดเหล่านี้นะว่าถ้าทำประพฤติธรำวัดแบบนี้แล้วจะทําให้บริสุทธิ์หมดจดซึ่งอัตกะทา อัตกระถาอธิบายถึงการที่ไปถือความบริสุทธิ์ด้วยวัดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งขัดกับหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะคือการที่ไปประพฤติวัดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวัดอย่างช้างอย่างมก่อย่างไก่อย่างกาอย่างม้าเนี่ยนะอย่างในปุณโนวาทั้งอะไรนะในพระสูตรในมัชฌิมนิกายเนี่ย ที่กุกุโรวาทสูตรเนี่ยนะกล่าวว่าการสมาทานวัดเนี่ยนะถ้าทําตัวเรียนแบบช่างได้เดะหมดเลยนะตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเพื่อนกับช่างนั่นแหละ